เดือนมลุธรรมบทส่งท้ายบ่ายนั้นรบชนะมาติดต่องานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อเสร็จจากธุระจึงเข้าวาัสุทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันนั้นเข้าวิหารใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อสายตาเห็นพระประธานโอราริกอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนความชนะภัยแล้วซึ่งเป็นสารติแล้วสุบ ว, วิมุติสุขแล้ว ก็เกิดความเยือกเย็นลึกซึ้งมหาวิหารกว้างใหญ่ดูสงบครึม้มดุดร่มโพธิ์ที่ให้ผู้เร่ร่อนกลางทางวิบากทั้งหลายอาศัยหลบเงาเสมอหน้ากันรบชนะคุกเ ข, ข่าเทพบุตรกราบเบญจังคะประดิษฐ์ด้วยความนอบน้อมลงทั้งเสียงกล้าวใจคิดว่ากำลังกราบพระาศาสดามิได้มองว่าตนเพียงกราบพระอิศพระบูนองหนึ่งกราบเสร็จ ก็นั่งพับเพียบทอดตาแลพระปฏิมานิ่งดุดเห็นองค์พระมีจิตวิญญาณประทานความเมตตาเล่งเนตรมายังอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งประทานความเมตตาเล่งเนตรมาอยังอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งของพระองค์ด้วยพระไทยอาทรนานครู่หนึ่งสัมผัสของเขาบอกตัวเองว่ามีกระแสจ้องมองมาจากเยื้องขวาด้านหลังพอเหลียวหน้ามองไปก็สะดุ้งเล็กน้อย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 ผิวพรรณดูซีเซียวไม่เปล่งปลั่งสดใสอย่างที่เคยคุ้นตารบชนะมานั่งขัดสมาธิตรงหน้าและยิ้มให้เงียบๆพักหนึ่งใจนุดศบตาต่อเพียงครู่ก็หินหน้าไปมององค์พระปฏิมาติดงอนอยู่เล็กน้อยต่างฝ่ายต่างสำเนียกได้ว่ากำลังตกอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกรมเป็นผู้จัดสันว่าจะให้พบหรือพลาดกันเมื่อใด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 พี่ดีใจนะที่เห็นกวางเข้าวัดกวางเป็นคนบาปเข้าวัดเพื่อจะล้างมวทินออกจากใจบ้างนะหล่อนตอบด้วยซุ้มเสียงแฝงน้อยใจเต็มเปี่ยมชายหนุ่มยิ้มให้กำลังใจใครบอกกว่างเนะี่ยทำบุญมากกว่าบาปเยอะต้องเรียกว่าคนใจบุญไม่ใช่คนบาปที่ไหนหรอกหญิงสาวอึ้งเงียบไปครู่กะพริบตาทีหนึ่งก่อนเอ่ยพลางหันไปมองพระประธานทองช่วงที่ผ่านมาเนี่ย กวางคิดไม่ดีตลอดจนรู้สึกกลุ้มใจเริ่มเชื่อละหลับว่าผลกา ร, ร ม, มีจริงและสงสัยว่าตัวเองคงไม่แคล้ยนรกรบชนะเลิกคิ้วฉ ง, งนมีเรื่องอะไรเหรอก็กวางน่ะสิคิดมากฟุงซ่านจิตใจมืดไปหมดแล้วก็ถูกคนใส่ร้ายบ่อยจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญพราะหลับก็ฝันไม่ดีคิดถึงแต่คาพูดของตัวเองที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พี่ณเห็นแก่ตัว สีหน้าชายหนุ่มเริ่มจริงจังขึ้นเพราะนึกได้ตามที่หล่อนกล่าวในพยาสนาสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสโทษของการติเตียนอริยะเจ้าไว้คือความชิบหายสิบประการแต่สี่ข้อสุดท้ายร้ายๆคือเป็นโรคอย่างหนักหนึ่งถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านหนึ่งเป็นผู้ตายด้วย อ, อาการหลงหนึ่งและที่น่ากลัวกว่าอะไรก็คือเมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาศนารก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 จะมีเหตุจากการปรามาสพระพุทธเจ้าแต่ยังดีพื้นจิตพื้นใจของหล่อนนั้นเป็นกุศลผู้มีพื้นจิตเป็นกุศลนั้นขณะทําบาปหนักจะรู้สึกเคว้งโครงเคลงหลังทําบาปแล้วจะไม่สบายใจครุนคิดกังวลปากติดค้างคาอยู่กับบาปนั้นๆไม่เลิกเศรษผลกรรมอันเป็นปัจจุบันซึ่งก็ดีอย่างหนึ่งคือเปิดโอกาสให้คิดแก้ตัวก่อนสาย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 ก้มหน้าสลดก็พอกวางสํานึกผิดเนี่ยกวางก็พยายามหาหนังสือธรรมมามาอ่านเหมือนกันแหละอ่านตั้งแต่ประวัติความเป็นมาก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดและได้กลับมาโปรดพระประยุรญาต์รวมทั้งพระชายาก็รู้สึกแล้วว่าพระองค์ท่านมีพระทัยเมตตามหาศาลแค่ไหนรบชนะพยักหน้าพูดแบบไม่ให้อีกฝ่ายเสียขวัญและมองเป็นเรื่องที่แก้ไขง่ายเดี๋ยวล่ะ แกด้วยความเข้าใจล้างด้วยความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตามจริงเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแรงมองกันตามจริงนะโลกทุกวันเนี้ยเต็มไปด้วยสิ่งลามกกระตุ้นให้คิดแต่เรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีก็เป็นธรรมดาที่ใจเราจะหลงหลงตกไปตามกระแสะโลกบ้างแต่ถ้าพื้นจิตเป็นกุศลอย่างกว้างก็ไม่เป็นไรมากหรอกกลับลามทันถมเถะไปมันคิดดีเหมือนเติมน้ําละลายเกลือก้อนเล็ก เดี๋ยวเดียวก็หมดความเค็มไปเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้นะกวางพยายามคิดดีแต่ก็ไม่เลิกคิดชั่วร้ายสักทีเนี่ยมันผุดขึ้นในหัวเป็นระยะระยะทรมานเหลือเกินหญิงสาวเหลือบตาอันฉาแววกังวลมาหาชายหนุ่มยิ้มอบอุ่นตอบพี่ถามหน่อยนะที่กวางคิดไม่ดีนะตั้งใจคิดหรือเปล่าเธอตอบ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 วางลองทำตามที่พี่บอกนะอะยกมือไหว้พระไหว้สวยๆเลยนะใจนุษปฏิบัติตามก้มหน้าพนมมือจดหน้าผากด้วยกิริยานอบน้อมยิ่งคราวเนี้ยตั้งจิตอธิษฐานว่านี่คือใจจริงของหนูเห็นเข้ามาให้ตรงตามจริงว่าใจของเราเป็นอย่างไรมีความสบายใช่ไหมหล่อนลดมือลงและหันมาตอบเขายิ้มยิ้ม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 กวางเจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่สบายใจอะไรอะไรให้ทำทานมากๆช่วยเหลือคนอื่นมากๆแต่อย่าหวังผลแล้วจะมีความสุขมากขึ้นตามหลักเบื้องต้นของพุทธศาสนากวางก็ลองแล้วนะแต่ไม่เป็นสุขขึ้นเลยพี่นาช่วยบอกหน่อยสิว่ากวางเข้าใจอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเมื่อกำหนดวาระจิตคนได้ก็ง่ายต่อการยิงเข้าเป้าตรงกับเงื่อนปมปัญหา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 คือมีแต่กรรมทางกายกรรมทางใจหดหายกับหมดการให้ทานต้องให้ด้วยความเต็มใจปรารถนาจะให้อยู่ก่อนและขณะให้ทานต้องปลื้มใจในบุญหลังให้ทานต้องคิดถึงความน่าเชื่อใจในการสละความตรณีถ้าให้ดีคืออธิฐานว่าขอบุญนี้จงเป็นตัวอย่างเป็นพื้นฐานในการสละกิเลสยิ่งยิ่งขึ้นไป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 แต่เมื่อตั้งต้นคิดถูกนับแต่การรู้จักให้รู้จักสละเป็นความทุกข์ที่ห่วงไว้กอดไว้กับอกก็จะเริ่มถอยห่างออกไปทีละน้อยหญิงสาวหยอดเงินใส่ตู้ทําบุญภายในวิหารจนครบทุกตู้หยอดธนบัตรแต่ละครั้งก็อธิษฐานตามคำแนะนำของรบชนะจนกระทั่งถึงตู้สุดท้ายก็ใจว่างเบาเกิดปีติเป็นล้นพ้น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 สุดท้ายต้องได้ผลวันอย่างค่ำ